ผู้บวชก็ได้บวชเข้ามาแล้วได้บวชสมความต้องการให้ทำความปีติอินดีในการบวชของตอนเพราะว่ากลัวจะได้บวชนี่มันก็แสนยากมันต้องต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆนั้นนาะ โดยเฉพาะขอกิเลสนั่นแหละมันหน่วงเอาไว้ถ่วงเอาไว้ผู้ใดเอาชนะกิเลสไม่ได้ก็มาบวชไม่ได้ผู้ที่มาบวชได้หมายความว่ามันมีศรัทธาแรงกล้าถึงจะเป็นการบวชโวคราวก็ตาม ถ้าหากว่ามีเจตนาศรัทธาแรงกล้าเต็มที่แล้วก็สำรวมศีลให้ดีอย่าให้ศีลมันขาดก็ได้บุญกุศลไม่ใช่น้อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเอามาบวชในภาคฤดูร้อนหยุดเรียนก็ให้พึ่งพากัน สำรวมทนให้ดีให้นึ ก, กว่าเรามาบวชเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลสำรวมจิตใจของทนไว้ภายในอย่าให้ใจมันกระสับกระใสไปที่อื่นอันบุญกุศลนี่นะเราต้องชอบทุกคน เพราะว่าการที่เราได้เกิดมาเป็นคนมีรูปร่างกายเป็นมนุษย์สมบูรณ์บริบูรณ์อย่างนี้ได้มาด้วยบุญกุศลคือได้มาด้วยการกระทำความดีด้วยกายวาจาใจได้สงเคราะห์สงหาผู้อืน่นได้บริจาคทาน เพื่อเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือว่าได้ให้ทานแก่คนพิกลพิการคนยากคนจนตลอดถึงได้ให้ทานแก่ผู้ทรงศิลปทรงธรรมในพระพุทธศาสนาที่ท่านเรียกว่าพระสงฆ์สาวกของพระภูมิภาคเจ้าที่ทำปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้ว แต่ชาติหนนหลังบางทีก็อาจจะเกิดมาในเพราะพุทธศาสนาก็ได้แต่อินทร์บารมียังไม่แก่กล้าก็าจึงยังหลุดพ้นจากกิเลสไปโดยเด็ดขาดไม่ได้ต้องมาเกิดเพื่อสร้างบารมีเพิ่มเติมต่อไปอย่าไปเข้าใจว่าเราเกิดมาลอย โดยไม่มีเหตุปัจจัยอะไรนำมาตกแต่งร่างกายชีวิตอันนี้นะเราต้องเชื่อพระพญญาตรสรู้ของพระเจ้าที่ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นแดนเกิดนี่นะนั่นแหละกรรมดีกรรมชั่วที่ตัวทมนี่นะมันนำไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ ถ้าคำดีให้ผลก็เป็นทุกข์สบายไปถ้าถึงคราวคำชั่วให้ผลก็เป็นทุกข์ไปแต่ทั้งหลายที่เที่ยวเกิดเที่ยวตายไม่ใช่อาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่มีฤทธิ์ต่างๆโดนบันดาลให้เกิดเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ เ, เหมือนอย่าง วัทธิศาสนาอื่นเขาสอนกันฉะนั้นเราต้องรู้ไว้ถ้าหากว่าใครมาชี้แจงเรื่องอความสุขความทุกข์ของคนเราโดยอาศัยเหตุภายนอกคืออาศัยสิ่งศึกษิดสิธภายนอกเป็นตัวกำหนดเป็นตัวบรันรดาลอย่าไปเชื่อเลยอย่าไปหลงเชื่อ อันนั้นให้ถือว่าไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าต้องเตือนตนไว้อย่างนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้คนเราเชื่อสิ่งภายนอ ก, กรปรามปราโดยไม่มีเหตุผลทันเมื่อซักถามเข้าไปแล้วไม่มีใครที่จะมาอ้างเหตุผลยืนยันได้ว่าเป็นความจริงอส่วนพระพุทธศาสนานี่ พระพุทเจ้าทรงสแสดงว่าสัตว์ทั้งหลายจะมีสุขมีทุกข์เพราะอาศัยกรรมคือการกระทำของตัวเองอย่างนี้มันมันสามารถพิสูจน์ได้เต็มที่เลยเป็น่งนั้นพราพูทธเจาทำดีขนาดไหนมันก็ได้รับความดีใจความสุขใจในขนาดนั้นพะูะพุทธ้าทำความดีมากก็มีสุขใจมาก ผู้ใดความดีทำความดีน้อยก็มีสุขใจตามน้อยผู้ใดทำชั่วมากก็เป็นทุกข์ใจมากเพราะความชั่วมันไม่ไม่สามารถจะอำนวยความสุขให้แก่ผู้กระทำความชั่วมีแต่อำนวยผลให้เป็นทุกข์โดยส่วนเดียวอันนี้มันก็เห็นประจักษ์พยานอยู่แล้ว ในปัจจุบันนี่แหละฉะนั้นศาสนาของพระพุทธเจ้านะเป็นศาสนาที่มีเหตุมีผลมีหลักฐานพยานอ้างอิงได้อย่างนี้แต่บางอย่างมันก็สลับซับซ้อนมันไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ด้วยความรู้ความเห็นธรรมดาสามัญต้องอาศัยความรู้วิเศษ จากท่านผู้ที่สิ้นกิเลสแล้วคือแม้ว่าอาศัยคาสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละอาศัยพิจารณาตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละซึ่งว่าในใจของเรามองไม่เห็นเลยแต่เราก็เชื่อว่าที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่างนั้นเป็นความจริงนะอย่างนี้ นี่เหตุผลเพียงพอเช่นการฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติ ผ, ผิดในกลามกลาวมุสา ว, วาตดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนทัางๆเนี้ยล้วนแต่เป็นโทษทั้งนั้นผู้ใดล่วงเกินแต่ว่าโทษซึ่งจะให้ผลในปัจจุบันทันด่วนนี่บางอย่างก็ปรากฏบางอย่างก็ไม่ปรากฏเป็นอย่างนั้น เช่นบางคนไปทำร้ายผู้อื่นแล้วเจ้าหน้าที่จับไม่ได้ก็เลยไม่ไม่ได้ลงโทษไม่ได้ติดคุกติดตารางบางคนไปทำผิดกฎหมายอย่างนั้นแล้วเจ้าหน้าที่จับได้พ้องล้อติดคุกติดตารางไปเพราะฉะนั้นอการทำชั่วเนี่ยบางอย่างมันก็ให้ผลในชาติปัจจุบันนี่แหละ บางอย่างก็ให้ผลในชาติหน้าต่อไปเราต้องรู้สองแง่ว่าอย่างนี้เรื่องผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วนี่นะกรรมดีก็เหมือนกันที่เราทาบางอย่างนี่มันก็อาจจะให้ผลในปัจจุบันนี้ก็มีถ้ามันไม่ได้ให้ผลในปัจจุบันมันก็จะไปให้ผลในชาติหน้าต่อไปอ่าไปอย่างนั้น เช่นอย่างาผู้ที่ทำบุญทำทานมีเงินมีทองมากไม่ตนีสละออกไปบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สนุกบำรุงวัตวาสานาไปเช่นนี้ผู้นั้นก็ได้รับยกย่องจากผู้เป็นเจ้าเป็นใหญ่ในบ้านเมืองเช่นพระราชามากษัตย์หรือคณะรัฐบาล ได้รับโลคเกียรติยศได้รับสายสะพายจากพระเจ้าอยู่หัวหยกย่องว่าผู้นี้เป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่ตนและประโยชน์แก่ส่วนรวมแก่ประเทศชาติบ้านเมืองไม่ใช่ว่าจะได้รับง่ายๆนะไอ้เครื่องประดับต่างๆเหล่านั้นนะถ้าคนใด ทำคุณงามความดีไม่เด่นจริงๆก็ไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นอันนี้แหละให้เพึ่งพฟ้ากันเข้าใจว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะมันเป็นความจริงแต่ว่าบางคนทำความดีมากเท่าไรเท่าไรผู้หลักผู้ใหญ่ก็มองไม่เห็น ไม่ยกย่องไม่เลื่อนขั้นไม่เลื่อนยศไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนแที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะเหตุว่าบุญวาสนาของคนนั้นน่ะมันมาแค่นั้นน่ะมันไม่สามารถจะก้าวไปขั่วนั้นได้ถ้าเป็นข้าราชการกดี เป็นจ่ายนี่ก็เป็นจ่ายงนี้จนตลอดกเกษียณอายุราชการมีเยอะแยะบางคนก็เลื่อนเป็นนายร้อยเป็นนายพันไปถึงเป็นนายพลไปก็มีอย่างนี้นะอันนี้พูดถึงในทางวุทถศาสนาผู้ดใดมีใจบุญใจกุศลมากอย่างนี้นะมักจะมีผู้ยกย่องสรรเสริญทั่วไปเลย แอนฝ่าย uh, พระอย่างนี้ก็เส้นครูวาอาจารย์ที่ท่านบวชปานานและปฏิบัติเข่งคัดตามธรรมวินยัยทั้งทา ง, ทาง จ, จิตใจก็บำเพ็ญให้เป็นไปไอคุณความดีของท่านก็รับบือไปในคนหมู่มากคนหมู่มากก็ได้ยกย่องนับถือ แล้วผู้ที่เป็นพระเหมือนกันแต่ว่าไม่ฝึกตนไม่ทรมานตนไม่ทำกิเลสตัใหาโนยเบาบางไม่ยอมเสียสละความสุขพอประมาณเช่นนี้แต่ก็ปรอพุทธมจรย์ไปได้เหมือนกันแต่แล้วไม่ได้รับไม่ค่อยได้รับยกย่องจับ พุทธศาสนิกชนส่วนหลายคงได้รับยกย่องแก่พุทธศาสนิกชนส่วนน้อยนี่เราจะสังเกตดูได้มันแตกต่างกันอย่างนี้เลยเพราะเป็นพระเป็นเจ้านี่มีคนนับถือเลยหน้ามากอย่างนั้นจะถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดทั้งหมดก็ไม่ได้นะ นั่นแหละให้เข้าใจอย่างที่เราได้ยินได้ฟังหรือเราได้รู้ได้เห็นมาแล้วนั่นแหละบางคนมีคนนับถือดังเหมือนฟ้าร้องเอาไปเอามากดจมลงไปสู่ธรณีนู่นนั่นแหละเพราะฉะนั้นนะสังเกตูคนทุกวันนี้จึงว่าไปนับถือพระผู้เฒ่าผู้แก่ที่บวชมานานประพฤติตนเป็นปกติ ไม่เสียหายอะไรอย่างนี้นะแล้วก็จึงรังกันไปเคารพกราบไหวบูชาไปนับถืออันนั้นมันก็ถูกต้องแล้วเพราะว่าพระสงฆ์น่ะเป็นเนื้อนาบุญของชาวโลกแต่ต้องเป็นพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามธรรมตามวินัยจริงๆ จะในบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษเป็นขั้นขั้นขึ้นไปพระพุทธเจ้าจึงยกย่องวอาเป็นสมณะสักยบุตรของพระองค์อย่างนี้แต่ยอนก่อนหน้าลงมาก็ได้แก่พระสงฆ์ที่บวชเข้ามาแล้วตั้งใจมาพึ่งปฏิบัติตามธรม ร, ธรมวินัยจริงๆศึกษาธรรมวินัยเข้าใจแล้วพยายามปฏิบัติตาม ไม่ร่วงละเมิดอยู่ด้วยความสงบระงับเป็นผู้มักน้อยสันโดษชอบสังงัดปรารุบความเพียรบ่อยๆไม่ท้อถอยเมื่อตนก็รู้ทนอยู่ว่าตนยังละกิเลสไม่มดยังละกิเลสไม่ได้หรือละยังไม่มอดอย่างนี้นะ ก็ไม่ควรจะนิ่งนอนใจนะตั้งใจทำความเพียรทางกายทำความเพียรทางใจทำความเพียรทางกายก็คือนั่งสมาธิบ้างเดินจงกรมบ้างแล้วทำกิจวัตรอื่นๆที่ท่านเรียกว่า เสนาสนวัตวัดเกี่ยวกับที่อยู่ที่อาศัยเราต้องทำความสะอาดให้เป็นระเบียเบเรียบร้อยนี่อันหมดนี้เป็นหน้าที่ของเราผู้บวชมาทุกคนจะต้องกระทาเราเห็นผู้อื่นทาอยู่แล้วเออผู้นั้นทาแล้วแล้วไปอย่างนี้ไม่ถูกต้องอมเมื่อเห็นผู้อื่นทาเราก็ทำสิ ทำคนละไม้คนละมือกันไปงานส่วนรวมนะเราจะไปทิ้งให้คนใดคนหนึ่งทำไม่ถูกต้องเป็นเสียแต่งงานส่วนตัวอะ น, นั้นต้องทำเองเป็นทำความสะอาดในที่อยู่ที่อาศัยของตัวเองอในรอบรอบบริเวณกุฏิในว่าพื้นที่รอบๆอบกุฏิตวงนี้นะต้องทำความสะอาด ไว้เสมอไปอย่าให้ลรลงลั ง, ลงเช่นนั้นหมู่นี้นะเป็นหน้าที่ของเราผู้บวชมาจะพึ่งปฏิบัติโดยไม่ยออ่อท้อถ้าบวชเข้ามาแล้วไม่ฝึกตนไม่ ทำข้อวัดปฏิบัติให้เต็มที่อย่างนี้บวชเข้ามาแล้วชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่นปัจจัยทั้งสี่มีอาหารเป็นต้นล้วนแตไ่ได้มาจากผู้อื่นทั้งนั้นเลยแะนั้นผู้ใดไม่ทําข้อวัดปฏิบัติไม่ทําความเพียรภานา จ, จิตใจไม่ภาวนาไม่ทําใจสงบ เจนีกก็เป็นนี้บุญนี่คุณของท่านผู้มีอุปการะให้เข้าใจอย่างนั้นเอาอันนี้ไปเตือนใจให้ขยันหมั่นเพียรการชำระกิเลสในจิตใจให้น้อยเบาบางออกไปเราต้องเราต้องมีอุบายหลายอย่างอย่าเกียดค้านะ ถ้าเกียรติคั่นแล้วก็เป็นนี่บุญนี่คุณของผู้มีอุปการะทั้งหลายอืมขึ้นชื่อว่าเป็นนี่แล้วมาหาความสุขไม่ได้หรอกอย่างนี้แม้ว่าเขาจะไม่มาทวงเอาก็ตามแต่บุคคลผู้เป็นนี่บุญนี่คุณของผู้อื่นเนี่ยก็ย่อมเป็นคนแสดงว่าเป็นคนมีใจมัวหมอง ไม่ผ่องใสอืขาดคุณธรรมขาดกตัญญูกตเวทิตาธรรมอันนี้นะคุณธรรมเหล่านี้มันต้องจําเป็นเราต้องปฏิบัติตามทั้งนั้นเลยนะอืความเป็นผู้ระลึกถึงคุณอุปการะของท่านผู้มีอุปการะแก่ตนมาแล้วและกําลังอุปการะอยู่ก็ดีต้องมานึก เสมอไปไปเดียว อ, ะอ่ะดังนั้นก็ระลึกอย่างนี้เราททำยังไงอ่ะก็ต้องคิดตอบบุญเรีนคุณท่านถ้าเป็นนักบวชเนี่ยเราต้องขยันในข้อวัดป ฏ, ฏิบัติดังก่าวมานั้นเนี่ยทั้งข้อวัดส่วนตัวทั้งข้อวัดส่วนรวมไม่นิ่งดูได้อันนี้นี่เป็นนักบวชนะทำความดีอย่างนี้ไปแล้วก็เรื่อง น, นี่บุญนี่คุณ ถ้าเขาถาวายจะสู่ปัจจัยทั้งสี่มีอาหารระบินถวายเป็นท้นดังกล่าวมานล้ว น, น ะ, ะก็จะเป็นการเพื้องหนี้บุญหนี้คุณที่ในระหว่างภิกษุสมมเห็นที่มีต่อทายกทายิกาผู้มีภคกระดังกล่าวนั้นไปได้เอ่อทายกทายิกา เมื่อเริ่มใสในพุทธศาสนาแล้วปฏิ ญ, ญาณจนถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วอย่างนี้หากว่าไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของอุบาศกวาสิกาให้เต็มความสามารถอย่างนี้มันก็บกพ้องไปก็เป็นนี้บุญนี่คุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เช่นเดียวกันเลย ไปอย่างนั้นพราเราได้ปฏิ ญ, ญาณตนได้นับถือแล้วนี่แล้วเราเราได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วแล้วก็จึงได้ละชั่วทําดีแล้วก็มีความสุขกายสบายใจเพราะปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะก็เลยเชื่อว่าเราได้รับอุปการะจากพระพุทธเจ้าจากพระธรรมจากพระสงฆ์ ยิ่งได้รับความสุขเห็นปานนี้บางคนดื่มเหล้ามามเมาแมวก็ออกเหล้าได้อย่างนี้นะบางคนเคยเล่นการพ น, นันคันต่อเมื่อได้ฟังทมเข้าไปแล้วก็หยุดจากเล่นการพ น, นันบางคนก็เป็นคนเจ้าชู้มายาสาไถมักมา ก, มากในกามเกินขอบเขตถันเป็นเหตุให้ทำบาปทำกรรม เมื่อได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ผ่อนหนักให้เป็นเบาลงไปแบบนี้นะไม่มัวเมาจนเกินขอบเขต ก, ก็กลายเป็นคนผู้ดีไปก็ตั้งเนื้อตั้งตัวได้คนผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เราก็เห็นกันอยู่แล้ว ก็เพระก็บตกต่ำไปตั้งตัวไม่ได้เลยเช่นเป็นนัเกเรลงเล่นการมานันอย่างนี้นะไม่มีทางร่ํารวยอะ่ะมีแต่พอได้ใช้ไปวันวันเอาไปเอามาก็หมดเลือหมดตัวไปผ่อติดของเสพติดโทษ ต, ต่างๆแบบนี้นะมีอะไรขายเอาเงินไปซื้อของเสพติดมาบริโภคหมดเลยคิดคํานึงถึงลูกถึงเมียถึงผัวอะไรจะเป็นทุกข์เดือดร้อน ไม่คิดเลยออ้อย่างนี้เราก็เห็นกันอยู่ด่าตื่นไม่ใฉ่เลยนั่นเลยแม้ว่าตัวเราไม่ได้ทำอย่างนั้นเห็นคนอื่นทำแล้วก็ต้องน้อมเข้ามาเตือนตนสอนตนเข้าไปให้ตนนั้นสังวรระวังไว้อย่าไปหลงคบคนชั่วเหล่านั้นเป็นมิตรถึงแม้ว่าผู้นั้นแต่ก่อนนี้เห็นโทษของเสพติดให้โทษต่งตางๆเหล่านั้น อยู่ก็จริงแต่เมื่อได้พบผ้สสมาคมกับคนติดของเสพติดเหล่านั้นเข้าไปบ่อยๆเข้าไปเดี๋ยวใจมันก็ต้องน้อมไปตามเขาแล้วต้องไปลงเอยกับเขาอีกติดของเสพติดเลื่อยไปอีกอใจของพุ้ธชนนี่มันไม่แน่นอนจริงๆอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เว้นจาก การครบหาสมาคมกับคนไม่ดีเพราะว่าคบคนเช่นใดก็เป็นเช่นคนนั้นอ uh, อย่างนี้นะให้เข้าใจพฉะนั้นเมื่อเราได้บวชเป็นพระเป็นเลนมาแล้วอย่างนี้นะอ uh, เป็นพระก็ต้องมันดูนวโกวาตนะอย่าไปอยู่เฉยๆต้องดู สิขาบทริในน้อยใหญ่ต่างๆอันพระภิกษุจะพึงสังออนระวังไม่ล่วงละเมิดต้องดูเพราะสำหรับธารมนามีอยู่อย่าไปเกียดคลานนะบวเข้ามาแล้วหากว่าไม่ดูไม่รู้ข้อห้ามต่างๆเดี๋ยวก็ไปทำผิดที่ใดก็เป็นบาปเป็นโทษการบวชก็ไม่มีอานิสงส์อะไรให้เข้าใจอย่างนั้น ถ้าพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติว่าถ้าผู้ใดล่วงละเมิดในข้อห้ามอันนี้เราเป็นบาปเป็นโทษอย่างนั้นอย่างนี้หนักเบาเท่านั้นเท่านี้ก็เป็นบาปตามที่พระองค์เจ้าบัญญัติไว้นั่นแหละแต่ก็อย่างว่าที่เคยพูดอยู่บ่อยๆว่าอันบาปนั้ น, ม, น, ม, นมันยังไม่ให้ผลในปัจจุบันเลยมันเป็นอย่างนั้นบาปนั้นยังไม่ได้ให้ผลในปัจจุบัน แม้ว่าจะร่วงเสียขาหมดวินญาอะไรไปมันก็ยังเฉยๆอยู่ไม่เห็นเดือดร้อนอะไรอย่างนี้ก็มีนะนั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงว่าอย่าไปเข้าใจว่าเมื่อร่วงเสียขบทวิญญาเข้าไปแล้วไม่เห็นมันเป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรอันนอกเป็นบาปมันก็น่าจะเป็นได้รับทุกข์ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ บางคนเห็นไปอย่างนั้นแล้วก็เลยไม่สำรวมในสิกขาบทในน้อยใหญ่เสียในอย่างนี้เรียกว่าเข้าใจผิดนะให้เข้าใจเข้าใจผิดแท้ๆแหละอย่างที่เคยพูดให้ฟังมาแล้วบุญกรรมก็ดีบาปกรรมก็ดีมันย่อมให้ผลตามการตามเวลา ถ้ามันไม่ถึงการเวลาแล้วมันก็ยังไม่ให้ผลแต่บาปกรรมบางอย่างมันอาจให้ผลในปัจจุบันเร็วก็ได้แต่บางอย่างมันต้องไปให้ผลถึงในชาติหน้านันก็มีอย่างนี้นะให้ให้เข้าใจหลักนี้ไว้ก่อนดังนั้นนะที่ข้อบัญญัติทั้งหลายที่พระเจ้าทรงบัญญัติห้ามไม่ให้ทำไม่ให้พูด นั่นแ่ะมันรู้แต่เป็นโทษเป็นบาปทางนั้นแหละเอาผู้ใดร่วงเกินเข้าไปแล้วเป็นบาปเป็นโทษจริงๆถ้าบาปในปะัจจุบันเมื่อร่วงทิศขบวินยัยถ้ามา่าไม่พิกษุโดยการตะเกือนก็ไม่เชื่อไม่ยอมแสดงอาบัตแล้วยังต้องอาบัตอันนั้นบ่อยๆเข้าไปอย่างนี้นะ ก็ต้องปรับว่าเป็นวิกสุกวายาสอนอยากต้องเรียกเข้ามาในสงฆ์แล้วมาสวดตักเตือนให้สำนึกความผิดอันนั้นได้เมื่อครรมอวาจารสวรดจบลงไปครั้งที่หนึ่งก็ยังระลึกถึงความผิดของตัวไม่ได้ยังไม่ยอมรับผิดเอาท่านสวดไปครั้งที่สองจบตรง ก็ยังไม่ยอมรับผิดเช่นนี้ขอกรรมาวาจาจารย์สวดจบลงข้างในสามเป็นอาบัติพันทีเลยเป็นอาบัติทั้งขาทิศถือว่าภิกษุนั้นเป็นผู้ว่ายากสอนอยากภิกษุอื่นห้ามไม่ฟังสงสวดกรรมเพื่อจะให้ละข้อที่ประพฤินั้น ถ้าไม่ละไม่สำรวมไม่ไม่ยอมสารภาพผิดอย่างนี้นะก็เป็นโทษเป็นบาปทันทีเลยศิกษาบทในส่วนอนี่เรียกว่าอย่างกลางนะ อ, อย่างกลางได้แก่อบัตสังคาทิเศษอย่างสูงได้แก่อบัตปาราชิก ฉะนั้นให้พากันดูตำรับตำราให้ดีนะให้เข้าใจเมื่อดูไปแล้วไม่เข้าใจอะไรให้ไปถามครูบาอาจารย์ผู้ที่เพื่อนดูแลเพื่อนบวชมา ก, ก่อนนั่นแหละอย่าไปอำอึ้งอยู่เฉยต้องไทยถามเมื่อเราสงสัยอะไร อย่างนี้แล้วต้องให้รู้จักใครเป็นอาจารย์อาจารย์มีอยู่กี่จาพวกเราบวชมาแต่ละรูปนี่ต้องได้ผ่านอาจารย์ถึงสี่จำพวกให้เข้าใจแต่อาจารย์บางจาพวกก็ยังยังไม่ได้ผ่านเช่นนิตย์ยาอาจารย์อย่างนี้ เมื่อออกจากสำนักอุปชาไปแล้วไปอยู่ในสำนักอื่นเช่นนี้ต้องไปขอนิสัยกับครูบาอาจารย์ที่เป็นเจ้าอาวาสอยู่ในวัดนั้นอย่างนี้บันนี้อุปชายาชานนั่นในหมายเอาพระผู้ที่รับคนเข้ามาบวชผู้ใดสมัครใจมีศรัทธาจะมาบวชก็ต้องมาติดต่อกับอุปชา อู้วิชาก็จะซักถามว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีโทษทางร่างกายและจิตใจตามที่พระพุทธเจ้าทรงระบุไว้นั้นอย่างนี้นะเช่นทรงระบุว่าห้ามบวชคนกระเทยคนวันดอะคนสองเพศเหล่านี้นะห้ามบวช ดังนั้นถ้าผู้ใดเป็นกระเทยแล้วมาขอบวชท่านจะไม่รับบวชให้เลยห้ามบวชคนที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่มาแล้วอย่างนี้ก็ไม่ไม่รับเอาบวชอย่างนั้นนะห้ามบวชบุคคลผู้ที่ทิกแล้วเช่นนี้แล้วจะมาขอบวชม่อีกไม่ได้เลย แต่บางคนฉลาดฉลาดแกล้งโกงเมื่อตนต้องปรารชิกในวัดนี้แล้วในจังหวัดนี้ซึกแล้วหนีไปจังหวัดอื่นนู่นไปไกลไปเป็นธรรมธ า, าเป็นอุปาสกปฏิบัติอุปถากเจ้าอาวาสต่างๆพระสงฆ์ต่างๆให้เพื่อนยินดีพอใจด้วยแล้ ว, ลวก็ขอบวช เอาเพื่อนไม่รู้ว่าเป็นผู้มีอาบัติปารชิกมาเพื่อนก็บวชให้ อ, อย่างนี้ผู้ใดทำเช่นนั้นได้ชื่อว่าเป็นบาปหนักเหมือนกันนะมีบาปติดตัวไปทุกเมื่อเลยไปเดียวพอไปโกหกอุปชาอาจารย์ตนไม่บริสุทธิก็ว่าตนบริสุทธิ์อย่างนี้เพราะฉะนั้นถึงเป็นบาปตลอดเลย นี่เข้าใจไว้ผู้มีนิววน้วเท้านิ้วมือขาดไปอย่างนี้ก็บวชไม่ได้ผู้มีแขนด้วนขาด้วนลงไปอย่างนี้ก็บวชไม่ได้ผู้ตาบอดมาแต่กาเนิดหูหนวกมาแต่กาเนิดก็บวชไม่ได้ ดังนั้นการที่เราแต่ละคนได้มาบวชนี่นะอุปชาอาจารย์จึงเลือกเห็นว่าเป็นผู้ไม่มีโทษทางร่างกายและจิตใจดังกล่าวมาน้า น, นะเพื่อนจึงรับเอาบวชให้อีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นคนโมโหโทโสจัดเอามาฝึกปือแล้วก็ไม่ฟัง แสดงบทแห่งความโกรธออกไปอย่างนี้ไม่หยุดยั้งนะเพื่อนก็ไม่บวชให้เหมือนกันนะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าผู้เป็นนักบวชนี่จะต้องละความดุร้ายในหัวใจออกให้หมดอความโกรธนี้แต่ว่าต้องคมมันไว้ไม่รู้อํานาจแก้มันไอ้ผู้เป็นนักบวชนะจะให้กิเลสนั่นมัน มาวางไม้บมันหมดไปแล้วจึงมาบวชไม่ใช่หรอกรานก็มาบวชทั้งที่กิเลสมีอยู่นั่นแหละแต่เมื่อบวชมาแล้วได้รับคาตักเตือนจากอุปัชฌาย์อาจารย์แล้วอย่างนี้ก็ต้องอดต้องทนกับความกระทบกระทั่งต่างๆซึ่งพวกอื่นได้แสดงออกกระทบกระทั่งกับตนบ้างอย่างนี้ก็อดทนเอาไม่ตอบโต้ โดยมีสติเตือนตนเสมอว่าเรานะบวชมาใหม่นะอย่างนี้ต้องถ่อมตนนะไม่ต้องแสดงความเป็นผู้หัวดื้อหัวแข็งมานะขระัางขืองต่อผู้อื่นเราต้องลดละกิเลสเหล่านี้ลงไปละในขนาดที่ได้รับความกระทบกระทั่งนั่นแหละ เพราะคนเรานี่ถ้าอยู่ตามปกติดีๆไม่มีเหตุมากกระทบกกระทั่งอะไรมันก็ใจดีอยู่ทุกคนแหละแต่คันเมื่อมีเหตุมากกระทบเข้าไปนะั้นมันจึงรู้ได้ว่าคนนั้นใจดีหรือใจร้ายอังนั้นผูใ้ใดอดได้ทนได้ไม่ก่อเรื่องที่ไม่ดีต่างๆเหล่านั้นให้ก่วงขวางออกไปอให้มัน ง, งับไฟเสียอย่างนี้นะ ก็รู้ได้แล้วว่าผู้นั้นเป็นคนใจดีใจมีความอดทนมีความอดทนเป็นเยี่ยมเช่นนี้มันจึงสมกับเป็นนักบวชเป็นนักบวชนี่ต้องมีขันติธรรมเป็นเครื่องอยู่ในใจก่อนอื่นทั้งหมดหเข้าใจแล้วก็ต้องมีคุณธรรมอื่นๆประกอบเข้าไปเช่นฮิริโอตสัพธรรมอย่างนี้นะ มีความละอายต่อการที่จะทำความชั่วทั้งต่อหน้าคนหมู่มากทั้งอยู่คนเดียวก็ไม่ทำความชั่วไม่ล่วงทำไม่ล่วงวินัยกลัวว่าความชั่วหล่รนั้นมันจะตามสนองให้จนเป็นทุกข์นี่นะเรียกว่าหีริโอตรประธรรมมันต้องมีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในใจ มันจึงสํารวมในพระปฏิโมกหรือสํารวมในพระวิัยได้ไม่ว่าใครๆแหละเหมือนกันหมดเลยผู้บวชเก่าวชใหม่ก็เหมือนกันถ้าขาดทิ้งได้อธพธรรมแล้วไม่มีทางจเจริเก่าหน้าไปได้มีแต่จ ะ, จะเสื่อมไปเท่านั้นเองนี่แหละไอ้คำสั่งสอนของพระเจ้านะ ให้พากันเข้าใจให้จับเรื่องกรรมดีกรรมชั่วนี้เป็นหลักไว้เสมอเสมออย่าไปทอดทุระสอนตนเตือนตนเสมอว่าเราทาดีได้ดีนะเราทาชั่วได้ชั่วนะอย่างนี้นะเตือนตนเสมอไปอย่างนี้แหละถ้าไม่เตือนตนอย่างนี้แล้วมันก็จะไม่อยากทำดีนะอืม แล้วมันก็จะไม่ต้องการลักความชั่วเพราะว่าความชั่วนั้นมันอำนวยผลให้เป็นทุกข์แก่ผู้กระทำไอ้นีน่สองอย่างนี่แหละต้องจำไว้ในใจเสมอต้องมันเตือนตนเสมอไปปลุกใจของตนให้ปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าปลุกใจของตนให้สนใจในการเรียน ในการดูสาหรับตาราในการท่องบทจดจําเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างที่เราบดเสร็จแล้วมาใหม่ๆอุปชาให้อวาทโดยย่อนั่นนะเรียกว่าอนุศาสตร์เป็ น, นเป็นโอวาทเบื้องต้นเพราะโดยย่อแล้วก็ต้องระมัดระวัง อย่าไปล่วงวิเลยอันร้ายแรงเช่นเศเมชุนธรรมไม่ว่าแต่กับมนุษย์แม้แต่สัตว์ในฉานก็ไม่ได้ขาดจากความเป็นภิกษุนี่นะแล้วไปถือเอาหรือรักเอาสิ่งของของผู้อื่นที่ราคาได้นับแต่ห้าบาทขึ้นไปอันนี้ก็ขาดจากความเป็นภิกษุนี่แล้วก็ไป แกล้งหรือประเจธนาฆ่าผู้อื่นให้ตายอย่างนี้ก็ขาดจากความเป็นภิกษุทันทีแล้วก็ไปกล่าวอวดอุตริมนุษธรรมคือธรรมอันยิ่งของมนุษย์ที่ไม่มีในตนตนไม่ได้บรรลุสมาธิฌานสมาบัตกิก็ว่าตนได้บรรลุอย่างนี้นะเพื่อให้คนอื่นเขายกย่องนับถือ นำลาบสักการะต่างๆมาให้อันนี้เป็นโทษหนักขาดจากความเป็นภิกษุไปเลยออย่างนี้ให้ศึกษาให้กำหนดไว้โทษสี่ประการนี่นะแล้วก็ยังโทษรองรองลงไปอีกอบัตรทั้งคาที่เศษสิบสามข้ออันนั้นก็ต้องดูแล้วก็ว่ า, วาให้ได้ แล้วต้องสังวรระวังอย่าไปล่วงเป็นอย่างนั้นเราจะมาสอนกันอยู่ในทีน่นี้ยกวินัยอะไรต่ออะไรมาสอนทั้งพวงมนไม่ไหวหรอกไม่ได้ทุกคนต้องช่วยตัวเองะเพราะตำหรับตำลาท่านมีไว้ให้แล้วฉะนั้นเราต้องดูเราต้องท่องต้องจาเอาให้ได้แล้วปฏิบัติตาม เช่นนี้นะการบวชเข้ามาแล้วธุระของเรามีอยู่สองอย่างให้เข้าใจ <c oughs> คันถาธุระหนึ่งวิปัสนาธุระหนึ่งคันถาธุระได้แก่การเรียนการท่องจาเอาคำสอนของเสดเจ้าให้ได้อย่างนี้นะนี่เรียกว่าคันถาธุระวิปัสนาธุระเมื่อเรียนเอาคำสอนได้แล้ว เราลงมือประพฤติปฏิบัติเจริญสมถาวิปัสนาให้ได้ให้เป็นไปในกายวาจาจิตอันนี้เรียกว่าเป็นธุระอันสำคัญเป็นธุร์อันสูงทง่งเบงญั น, นเพราะการเจริญสมถะทําใจให้สงบระงรับจากนิวรทั้งห้า อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราเพราะว่าเมื่อเรายังไม่ได้มาบวชในพรทศาสนานี่ไม่ได้สำรวมจิตใจไม่ได้ฝึกจิตใจเลยมันอยากคิดไปไหนก็คิดไปตามอาเภอใจมันอยากคิดรักมันอยากคิดชังก็ก็ะพฤตไปตามความคิดนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นบตดที่เมื่อเราได้มาบวชเข้ามาแล้วอย่างนี้ เราจะต้องเคารพต่อพระวินัยเป็นอย่างยิ่งไม่รวงเกินดูศึกษาให้รู้นนนะเมื่อมีศีลดีแล้วบริสุทธิ์แล้วการเจริญสมาธิมันก็เป็นไปได้ง่ายไม่มีบาปมารบกวนจิตใจเมื่อทำใจเป็นสมาธิได้แล้วปัญญามันก็ย่อมเกิดขึ้น ปัญญานี่แหละบุคคลบาเพ็ญได้เกิดมีขึ้นในตนแล้วเช่นนี้ก็จะเอาตนรอดจากทุกภัยในสงสารนี้ได้จะสามารถละอาสวะคีเลสให้หมดสิ้นไปจา ก, กจิตใจได้ก็ด้วยอำนาจแห่งปัญญานี่เองนะใครๆย่อมไม่สามารถจะมาละกิเลสให้ใครได้มีแต่ตัวเองเท่านั้นแหละ จะเป็นผู้ละเอาเองอเพราะว่ากิเลสมันไม่มีรูปร่างอะไรอ่ะมันเป็นธรรมรมเกิดขึ้นในจิตของแต่ละคนเช่นราคะความกำหนัดยินดีอย่างนี้นะมันก็เกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลผู้ไม่สำรวมนั่นแหละแล้วมันก็ไม่มีรูปร่างอะไรอ่ะ เป็นแต่ความคิดกับความรู้สึกเท่านั้นเมื่อคิดถึงความรักมากเท่าไความกำลัดยินดีก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเป็นอย่งั้นเนือโทสะความคิดประทุษร้ายผู้อื่นอย่างนี้นะก็จิต ด, ดวงเดียวนี่แหละเป็นผู้สร้างวิ็นผู้ทำขึ้นมาแต่เมื่อบุคคลไม่เห็นโทษแห่งความเบียดเบียนกัน นั่นแล้วมันก็ไม่ห้ามจิตใจตัวเองอปล่อยให้ความโกรธครอบงำเต็มที่จนถึงกับลงวม้ลงมือประหาดหารผู้อื่นได้หรือถ้าไม่ฟาดด้วยกายก็ปหาดผู้อื่นด้วยวาจาเช่นกล่าวเสียบแทงผู้อื่นให้เจ็บอกเจ็บใจกล่าวคาหยาบร้นต่างๆนานาให้ไม่เป็นที่พอใจของผู้ฟัง อันมูนี้นะคนธรรมดาสามัญ น, นี่มักจะรู้อํานาจแก่กิเลสเหล่านี้แต่เมื่อเราเข้ามาบวชแล้วอย่างนี้เราจะไปรู้อํานาจแก่กิเลสเช่นนั้นไม่ได้เพราผิดวินัยไปเลยอะ่ะเช่นในมูสามาทรรักด่าภิกษุส่อเสียดภิกษุอะไรเรามูนี้นะก็ปรับเอาบัดทั้งนั้นเลยฉะนั้นในฟากันศึกษา ให้เข้าใจมแม้ว่าตนจะไม่พอใจให้พระภิกษุรูปนั้นอย่างไงก็ทตามก็ม อ, อดกั้นทนทายไม่าด้ใจกำหนดละกอไม่พอใจนั่นเสียไม่แสดงออกทางกลายวาจาด่าแช่งหรือตำหนีเสี่เตียนออย่างนี้นะไม่เอาเพราะว่าขืนแสดงออกนั่นแหละประักก็เป็นอาวัตเป็นโทษแล้ว นี่ะพระวินัยทั้งหลายเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงแต่งสร้างบัญญัติไว้นั้นก็เพื่อสกัดกั้นกิเลสยำยาบเหล่านี้นะไม่ให้เกิดขึ้นในกายวาจาของวิสุสามเณรทั้งหลายให้เข้าใจไว้ไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเนยสิกขาบทที่เราสมทานที่เราปฏิบัติตามอยู่มูนี้นะก็เพื่อป้องกัน ร, ราคะไม่ให้เกิดขึ้น ดังนั้นให้พากันสังวรระวังตนให้ดีเราสำรวมจิตดวงเดียวนั่น่ะได้แล้วก็ได้หมดไปเลยอ่าสำรวมจิตทุกเรียบทเลยเยืนเดินนัง่งนอนกินเดิมพูดจาปลาใสทําการงานอะไรอยู่อย่างนี้ก็ให้สำรวมจิตของตนให้เป็นปกติอยู่อย่างนี้นะ เมื่อสำรวมจิตให้เป็นปกติได้อยู่ยนี่มันเมื่อจะได้รับความกระทบกระเทือนจากผู้อื่นจากภายนอกมามันก็ไม่หวั่นไหวไม่ตื่นเต้นเพราะเรารู้รู้ดีอยู่แล้วในรู้อยู่แล้วว่าอารมณ์ที่น่ารักน่าชังัหลายภายนอกนั้นมันเป็นของร้อนมันทําให้เกิดราคะโทสะโมห oh ะขึ้นในใจ ดังนั้นเราจึงสำรวมใจไว้ไม่ให้วันไว้เวตามเรื่องที่มากระทบกระทั่งต่างๆมู่ด้านนี่เรียก ว, ว่าพูดเอาแต่หลักใหญ่ๆไว้เตือนไว้ให้รู้ตัวไว้เมื่อสำรวมใจได้สัยอย่างเดียวแล้วไม่ได้ล่วงทำล่วงวินยัยไม่ได้ล่วงสิกขาบทวินัยน้อยใหญ่ทั้งหลายเลยแต่ถ้าผูดด้ใดสำรวมใจไม่ได้แล้วไม่ฟังนะ เดี๋ยกวก็ร่วงอ่ะร่วงโดยไม่เกรงกลัวใครอ่ะไม่เกรงกลัวอุปชาอาจารย์ไม่เกรงกลัวต่อบาปต่อโทษมันจะตามสนองจนได้เป็นทุกข์แต่อย่างไดเลยนี่แหละถ้าหากว่าปล่อยกิเลสมันครอบงำจิตใจให้มากๆแล้วอย่างนี้มันมันก็ทำเป็นเหตุให้คนเราทำความชั่วใส่ตัวมาเป็นนักวัตรกลับมาทาโทษ ทำชั่วใส่ตัวเองในการเป็นนักบวชแหละแต่ไปเป็นฆราห์ตก็ไปทำชั่วใส่ตัวเองตอนเป็นฆราห์ตเพราะว่าคนต่างคนมีใจเป็นใหญ่สาเร็จแล้วด้วยใจจนจะทำบุญกุศลทำความดีได้ก็เพราะใจดีฝึกใจให้ดีจนจะทำความชั่วโดยประการต่างๆน่ากล่าวมานั้นได้ก็เพราะไม่ได้ฝึกใจให้ดี รลอยให้กิเลสครอบความจิตใจอืเกียดคลานทําความเพียรความเกียดคลานนี่แหละอันหนึ่งนะนับว่าเป็นกิเลสตัวสําคัญทีเดียวอะ่ะเพะเมื่อบุคคลเห็นแต่แกหลับแก่นอนเห็นแต่แก่อยู่แก่กินอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้ทําความเพียนอะไรอะ่ะอืมก่อนแล้วกวน็นินกินแล้วกว็นอนอยู่อย่างนั้นอื ไม่เจริญสติปัฏฐานให้เกิดมีขึ้นนันและให้พากันเข้าใจไว้เสมอว่าเราต้องเจริญสติปัฏฐานนี่เสมอไปจะยืนเดินนั่งนอนก็ได้ให้มีสติอยู่กับกายอยู่กับเวทนาอยู่กับคิดอยู่กับธรรมอารมณ์อะไรที่เกิดขึ้นในใจให้เห็นว่าสิ่งทั้งหมดเหล่านี้ก็สักแต่ว่า สตกจะว่าสมมติบัรยัติว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เฉยๆแต่ว่าโดยความจริงแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอะไรเลยนี่ต้องเรียกคำว่าเจริญสติปัฏฐานนะต้องเพ่งพิจารณาไปให้มันเห็นตามความเป็นจริงอย่างนั้นเสมอไปการที่ มันจะรักษาความรู้ความเห็นอันนี้ไว้ได้นั้นก็เพราะอาศัยการที่เราพิจารณาบ่อยๆทำความเพียนเพ่งพินิษอยู่บ่อยๆนั่นเองมันจึงเกิดความรู้ยิ่งเห็นจริงขึ้นแล้วก็จึงรักษาความรู้ความเห็นอันนั้นไว้ได้เป็นอย่างนั้นเราจะพิจารณาเพียงนินดหน่อยๆแล้วแล้ววางมือเสียไม่ใส่ใจ นานๆจึงไปพิจารณาข้างหนึ่งอันนี้ไม่ได้ไม่ทันกับความหลง่ะความหลงมันก็เข้าครอบงำจิตใจแล้วบรรดากิเลสอื่นๆก็ตามหลังกันมาใน ว, วันนี้นะอะมันเป็นอย่างนั้นพะนั้นพระ อ, องค์เจ้าจึงสอนให้มีสติสัมปชัญญะในการเคลื่อนไหวอาการกายอาการวาจาความคิดทางใจ ต, ต่างๆโมนี้มันต้อง มีสติกำนดรู้อยู่เสมอไปสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมขั้นสูงขึ้นไปก็ต้องมีสติเตือนจิตให้กำนดรู้ว่าสิ่งที่มาสัมผัสกับตาหูจมูกลิน้นกายใจหมุนล้วนแต่ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาทั้งนั้นเลย ม, มีความเกิดขึ้นแล้วก็แปรปโพนแตกดับไป นี่เราต้องกำหนดพิจารณาลงให้ถึงสัจจะความจริงของแต่ละสิ่งแต่ละอย่างให้กำหนดรู้อย่างนี้เสมอไปให้อย่าให้มันเสื่อมความรู้ความเห็นเหล่านี้นะเมื่อไปเห็นอยู่รู้อยู่อย่างนี้แล้วจิตไร้วันไหวต่อเรื่องที่มากระทบกระทั่งต่างหมู่นั้นนะจิตนี้มันก็เป็นสมาธิอยู่ตลอดเวลา แล้วปัญญามันก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาอะไรมากระทบกระทั่งเข้ามันก็ความรู้รทันทีรู้ตามเป็นจริงอย่างที่ว่านั้นแหละไปงั้นฉะนั้นขอให้พากันปฏิบัติตามอย่างนี้ไอ้ผู้ที่เป็นพระนั้นบวชใหม่นะก็ต้องให้สำรวมใน เรื่องผ้าไกลาสามผืนน ะ, ะเมื่อหัวรุ่งมาทำวัดสวดบนทิศลาก็ออกมาให้ครบทั้งสามผืนเลยอย่าไปทิ้งเวทีกุฏิน ะ, ะเรียกว่าท่านพระพุทเจ้าเราให้รักษาผ้าสามผืนนี้ไว้ให้ดีเพราะว่าเราเป็นนักบวช เราไม่ได้ทำเองไม่ได้หาเองรับทานจากผู้อื่นเนี่ยความหมายนะฉะนั้นผู้ทีเจ้ายังทรงกำซับมาให้พุ่มเพื่อยมาให้เลอะเทอะในการรักษาผ้านุ่งผ้าหม่มที่อยู่ที่อาศัยต่างๆเนี่ยสมัยก่อนนั้นก็อย่างว่านั่นแขกอินเดียมันยากมันจนเหมือนกันเนี่ย แล้วเป็นจะเป็นผ้าของพระเป็นของเนนของใครก็ทมถ้ามันไม่มีทางที่จะเอาได้มันก็ฉวยเอาไปนุ่งไปห่มไปเลยอย่างนี้นะดังนั้นเลพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้รักษาผ้าสามผืนนี่ไว้ให้ได้ อ, อย่าไอ้มันศู์มันหายอย่าให้ไฟไหม้ ถ้าไปมันไม่เป็นช่องโหว่เข้าไปก็รีบปะรีบชุนเข้าไปอย่างนี้อย่าปล่อยว่ให้ข้ามวันข้ามคืนถ้าปล่อยให้ข้ามคืนไปขาดอธิษฐานเป็นอาบัติทุกข์กตเป็นอย่างนั้นรีบทุนเข้าไปถ้าทุนไม่เป็นก็ไปหาผู้อื่นให้เย็บให้ชุนให้อย่างนั้นแล้วก็ ระวังเป็นกระเรหัดนี่มันชอบทำลายต้นหญ้าต้นไม้เขียวสดต่างหมูเนี่ยต้องระวังระวังมีสติว่าอย่าไปหลงเด็ดใบไม้ตามข้างทางอะไรตัว อ, อะไรเหมือนอย่าไปหลงขุดดินอันนี้ต้องเตือนไว้ก่อนเพระพทะเจ้าทรงพิจารณาเห็นแจ้งแล้ว ในดินนี้มีสัตว์อาศัยอยู่มากมายไอ้พระเ่านี่นะ่ะเป็นผู้สํารวมในสัตว์ทั้งหลายมีเมตตาสูงดังนั้นถ้าไม่จําเป็นจริงจี๋ก็ไม่ไม่ให้มันกระทบกระเทือนกับสัตว์ทั้งหลายที่อาศัยอยู่ผืนแผ่นดินอันนี้เว้นเสียแต่มันเหลือวิสัยอันนั้นโดยไม่ได้เจตนามันก็ไม่เป็นโทษไม่เป็นอวบหรอกแต่ว่า การที่เรารู้อยู่ว่าในนี่มีสัตว์แล้วขืนไปเหยียบไปย่ำหรือจุดไฟเผาขยะอยากเลี้ยงเข้าไปอย่างนี้นะนั่นนะมันก็มีโทษโดยทางอ้อมเลยอ่มันก็มีเจตนาอ่อนๆอยู่นั่นเองนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังผู้ที่จะเผาขยะอยากเลี้ยงตงๆก็ต้องคนดูสัตว์สาวาสิ่งให้ แน่นอน้าก่อนเมื่อไม่มีแล้วก็ถึงค่อยจุดค่อยเผาถ้ามันมีสัตว์อยู่นั้นอย่าไปจุดมันอย่าไปเห็นแก่แต่ความสะอาดภายนอกแล้วยอมเสียศีลอย่างนี้ไม่ถูกต้องเลยฮะเราต้องเอาศีนไว้ก่อนอื่นทั้งหมดให้เข้าใจอย่างนั้นและการเดินวนิยนบาตก็ต้องเดินห่างๆกัน ขอสมควรอย่าไปเดินใกล้ชิดเดี๋ยวก็ไปเหยียบน่องของผู้เดินข้างหน้าอย่างนี้มันเสียมารยาทไม่ดีบางรายน่ะเดินแบบไม่มีสติไอผู้เดินข้างหน้าเพื่อนหยุดอยู่นี่ตกก้มหน้าเดินไปชนเอาเพื่อนเขาไอ้อย่างนี้ก็มีเนี่ยาะฉะนั้นเดินมินทบารต้องระมัดระวังนะ ก็มีสายตาชาเลืองไปเบื้องหน้าอคอยระมัดระวังถ้าเห็นว่าข้างหน้าเพื่อนหยุดเราก็หยุดขั้นมีสติอยู่มันก็เป็นอย่างนี้ยมันก็ไม่ได้ชนกันนะอืมแล้วเวลาโยมเขาใส่บาตรเข้าไปสายตามก็ต้องเพ่งลงไปในบาตรอย่าไปมองไปทางอื่นออย่างงั้น แล้วก็เรื่องผ้าผ่อนอไปนั่งที่ไหนก็ทรงระมัดระ ว, วังอย่าให้ไปนั่งในที่เปืเ้อนเหมือนอย่างผ้าผ้าเกเครือหัดมันไม่ได้นะผ้าเกเครือหัดเขาผ้าดํามันก็เข้าของดําๆได้แต่ผ้าของพระนี่มันเป็นผ้าเหลืองเพราะฉะนั้นเมื่อมีเวลามีสิ่งอื่นมาแปดเปื้อนเข้าไปมันดังมันไม่น่าดูเลย ฉนั้นต้องระมัดระวังส่งน้ําอย่างเงี้ยก็ล้างฝ่าเท้าให้ดีบางคนเนะ่ยฝ่ที่กุติเนะีเข้าไปในห้องน้ําไปเหยียบในห้องน้ํามันเป็นรอยเท้าเลยอย่างนี้แสดงว่าไม่ได้ขัดถูฝ่าเท้าของตนเลยฉะนั้นต้องขัดต้องถูต้องขัดถูด้วยสบู่นู้นฝ่าเท้าคนนี้ เพราะว่ามันสะสมอะไรต่ออะไรไว้ในฝ่าเท้านั้นดำเกิดไปหมดนี้เเอาอะไรอื่นที่เป็นของชาชาเป็นผอยลมหรือแปลงหรืออะไรขาดเข้าไปอย่างนี้น ะ, ะให้พากัรปฏิบัติเรื่องเท้าสำคัญเลยเท้านี้ก็ดีอย่าไปว่าไม่สำคัญนะอ่ะ แังนั้นให้พากันศึกษาดูตลอดคำลาให้เข้มงวดบวดขันเข้าไปบวชมาแล้วนะเล้วผู้ที่เป็นสามเณรก็ดีก็สิกขาบทสิบข้อที่สมทานวันนี้นะเราต้องให้สนใจให้เข้าใจไว้ปาณาติบาทอะางนี่ท่านห้าไม่ฆ่าสัต์หมายความว่าไม่เจตนา ที่จะไปฆ่าสัตว์เหล่านั้นเลยแม้ยุงลิ้นที่มันมากัดมาตอมก็ไล่มันไปเฉยๆไม่ตกไปตีมันอย่างนี้แหละจึงได้เรียกว่าเป็นผู้สำรวมในสินข้อที่หนึ่งนี้แล้วก็ไม่ใช่ผู้อื่นฆ่าผู้ที่ไม่รู้จักสิข่าขาบทความหมายของสิกขาบทข้อนี้นะหากว่า ตนเองนะ่ยลึกและลึกได้ว่าฆ่าสัตว์เป็นบาปวันนี้ก็ไปใช้ชีโวชีเวให้คนอื่นให้เขาเข้าใจความหมายว่านั่นสัตว์ตัวนั้นอยู่นั้นไปเอาไปจับเอามาต้มแกงกินหมืออะไรเรียกว่าใช้กิริยาทางกายชีโวชีเวอะไรอย่างนะั้นให้เขารู้ความหมายแล้วเขาก็ไปจับสัตว์นั้นมาอย่างนี้มันก็เป็นการอํานวยปวามสะดวกบาป แม้ว่าทนจะไม่ได้ฉันก็าตามอืมต้องให้เข้าใจดังนั้นอย่าไปส่งเสริมเรื่องปานาติบัติเป็นนักบวชต้องมีเมตตากรุณาสูงต้องให้อภัยแก่สัตว์ทั้งหลายอต้องปราถนาให้สัตว์ทั้งหลายเป็นถูกทั่วหน้ากันอย่างนี้นะสิขาบทข้อที่สองก็ อ, อย่าไปแกล้งหยิบฉวยเอาสิ่งของของผู้อื่น ที่มีเจ้าของอยู่ซึ่งเขาไม่ได้อนุญาตให้น้อยกว่าตามมากกว่าช่างนะจะเป็นเข็มเล่มหนึ่งกว่าช่างถ้ารู้ว่ามีเจ้าของอยู่แล้วอย่าไปจับไปฉวยเอาเลยถ้าต้องการก็ติดต่อกับเจ้าของสัก่อนเขาให้ก็จึงเอาเขาไม่ให้ก็ไม่เอาแล้วก็อย่าไปชักชวนแนะนำผู้อื่นให้หยิบให้ฉวยเอา ของผู้อื่นมาให้แก่ตนอย่างนี้ให้สังวรระวังสินข้อที่สามอภิมจริยาท่านห้ามไม่ประพฤติอสัต์ธรรมกรรมอันไม่สมควรแก่สมณะเพศการเสพเมธุนธรรมกับมนุษย์ก็ดีกับสัตว์ที่ฉานก็ดีทวารหนักก็ดีทวารเบาก็ดี เป็นโทษถึงขาดจากความเป็นภิกษุสามเณรไปเลยเนี่ยต้องให้เข้าใจสึกขบทข้อที่สีมุสาวาอทนาไมาพ่พูดเทศพูดเทศนี่ต้องมีเจตนาเช่นอย่างว่าเราจะเจตนาพูดให้ผิดจากความจริงแก่ผู้นี้ให้ผู้นี้หลงเข้าใจผิดไป ไปทำสิ่งที่ไม่ดีต่อตัวของตัวเองหลอกลวงคนอื่นในทำความชั่วไปให้เสียทรัพย์เสียสินสกขบทข้อที่ห้าได้แก่สุราเมรยะดังที่เราได้ท่องได้จำกันมาแล้วห้ามท่องเสพของเสพติดให้โทษเช่นสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีน ต่างๆพวกนี้เป็นของเสพสีไทโทษล้วก็ต้องเว้นบางคนบวชมาแล้วมันเคยสูบบุหรี่เคยดื่มเหล้ามางนี่นหิวเลยมันหาทางไปลักสูลกลักดื่มอยู่นี่ก็มีนะเพราะนั้นต้องระวังรักษาให้ดีที่ขาบทนี้ข้อที่หกได้แก่วิการับโพษทัานห้ามไม่ให้ ทันอาหารในเวลาวิการคือตั้งแต่เที่ยงแล้วไปจนถึงวันใหม่เพื่อไว้แต่หยุกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆแต่ถ้ายาอันใดพนเข้าไปกับอาหารก็ฉันไม่ได้ต้องเป็นยาที่เขาทำด้วยสมุนไพรด้วยถาดอื่นๆ